ขร า, ารหันมีอวิชาหรือโมหะหรือเปล่าถ้าไม่มีเสียเลยจะไม่ขัดกับคำที่ว่าพระโมคคัลานลงโลกหรือโ อ, อ้ไม่เคยปราุฏที่ไหวพระโมคคัลานลงโลกนี่ครับท่านดูเป็นเจ้าของปัญหาเนีเอยมาจากไหนครับปัญหาข้อนี้ฮนะขารหันน่ะอาวิชาเลยครับทไมละอวิชาไม่ได้เป็นขารหันก็ไม่ได้ไไดเนี่ยทุกคนทุกข์หมเรามาลิงแปดมืีพันนำมันขันจะหาที่ไหนรเจอที่ไหนขารหันน่ะอวิชาได้เด็ก่อดแล้วทาไมละอวิชาจะไม่อารหันได้อย่างไรก็เจอพระโมคคัลานลงลกหรืก็ไม่ครากที่ไหนลงโก ไม่รู้ตอนนี้โมฆ า, ายังไม่ไมรู้อาหารกับมั่งทีะไรโมฆาหลือโน่เนี่ย น, น, นะฮะข้อนี้ก็ไม่ทราบว่าพระคุณเจ้ารูนั่นก่ะจะเอาหลักฐามาจากไหนข้อสองต้นเริ่มต้นเดิมของมนุษย์เกิดขึ้นในบ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอะไรก่อนคนที่เกิดมาข้างแรกชืๆๆ่อว่าอะไรที่ี่อย่างนั้นมีใครผู้ส้าง่นชนนั้นหรือราตด้เอาเอ ง, ง น, นี่อาจินไปัญหาข้อนี้อะ อาจิรไปปัญหาเลิยกล่าวมาแล้วว่าทางผุ้าันานษณาไม่สาวหาต่งต่อภายนอกให้โอกาศโรนไม่สาวหาร่งต่อพุิทีเจ้าเป็นแค่ไ ม, ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ศาลจะป็นวิสุทคนเะคนนี้เีนอเนี่ยโลกเต่าราวไทยล้นหอมแค่ไหนบ้านเรือนอยู่ที่ใดนี่หน้าที่ของแค่าจะหน้าที่ถอสองและางยา ทำงานชีวิตคนบัวจะต้องตายขโมไม่แค่ทิ้งหน้าที่ทิ้งร่วนยาและเสี่วหิ่งสอบหิ่งจอนไปเสี่วถามเขาบว่าฉันยิงลีกซองมา้วต้องคนไครแ่เนี้ยมันมีใครมาจากไหนเป็นใครตายไปก่อนปัานี้คุณมานอายจินเตอนนานาอลกแสบถึงแม้คุณจะบอกว่าใคเป็นต้นซองก็อดสงสัยไม่ได้ต้นซองห้นซอมาจากอะไรแล้วต้นซองต้นซองต้นซองอีกล่ามาจากไหนตูวซ้อนไม่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยตัว้านมีที่สุดเพราะฉะนั้นสาขานักเรียนว่ามนจิ้มลึกตัดสว่างจะให้ขจา หมดลกแต่ความจริงไม่ไมึดกรางน่เขียวใจไอ้คนตังขึ้นีียวบอก้้เจ้าอนน้เจมาจากไหนตอนนี้นักเคลือวิทยาก็บอกเกิดเองถ้าเกิดเองแล้วก็ไม่ต้องมีผู้กันละเกิดเองด้เกิเองได้ผมก็ว่าคนต้องยอมเกิดเองหมกันเกิดเองครับคุณแต่เขาม่รู้เกิดเองถ้าว่าตามแนวแนวเคว่อนวิทยานะฮะอ้าวเกิดเองแล้วที่นี่ก็ขออ้าวเกิดเองเหมือนกันแต่ถ้าจะเอากันอย่างกระชับอเฉพาะจับนี้พ้าจับนี้อย่าไปเอาตัวเอาเฉพาะคุณจับ มนุษย์ต้นนี้ผมรู้มาจากไหนรูกขอมีบาลีประเทศยืนยันมนุษย์ต้นต้นแบบนี้่ะมาจากคามโลมาจากคาร์มโลต้นเคยมาชิมนวลดินชั่วโลกนี้เป็นหมอกเคยใช่ไหมควาหมอกหมกเคยเย็นลงเย็นลงไอเดนละอไอเดนเนี้ยละอูสุดโลกนี้น่ะในอากาศนี้มีอาหารอตนนะอาการเนี่ยทไนร้นะันตนหมดเลยอาสานี้กนี้ันจหมดนักอาษาเยอมาหลังคุงามพยายาม จากวิตามินในอาหารมากินถ้าคนมองลูซียืนขาเดียวกินวาตาตัวอิ่มเราจะไปบูกลูซี่ได้ไว่าลูสีกินวาซาตอีกมยังไงหารู้ไม่วะลูสี่ถ้าจะแก้จิตจนรีบ้าไปจากวิตามินวิจัยวิตามินในอากาศเดกลงตรงโดยเฉพาะเราะนั้นลูสี่อะจรินจริงไม่เป็นโรคขาดอาหารเพราะกินวิตามินอากาศพยาบาลบางคนเขาที่วิตามินอากาศจริงๆมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะธาคาร์บอนมีหมด วิวิธีมเอลถึงต right. e ัดยังไงเขาจะมีน he so, like ึงตัก like ับเอลถึงตัมีร้อมาในอากาศเขาบอกว่าวิธีจะเอาวิตามินจแตอากาศเนี่ยคือเอาแสงเอาแสงนี่เองยู่ในแสงการการกองจักปากแสงออกมามาเป็นรูปคล้ายๆหยดนาแล้วกินกันไปหยดเลี้ยวเนี่ยอิ่มไปหลายวันดีๆว่างั้นนี่เขารักษาอาหารพิหนาเทวดานี่จะนั้นจะผมบอกว่าวิทยาศาสตร์ยิ่งจรินี่ที่ถูกข้อ็จริงในประวัติศาสตร์ในในพศสถาณยขึ้น เาสั่งร้าอาหารทิพนะอย่างเทวดาอะไรที่พป็โลกเนี่ยที่ไม่ต้องหุงท่าวอาหารอย่างเราหน่ะไม่ต้องไปจากตลาดอย่างเราน่ะท่านกินทิพย์อยากกินก็อ้าปากพับเด็กก็อิ่มยังนี่เองกินอยังนี่เองนี่ต้องมินธรรมาชาติอย่างนี้เองแหละไม่ใช่อื่นไกลเลย เ, ออ <S <S เพราะฉะนั้นมนนันมุดในซุ้มสมาุกสมบัตินี้ไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากครรมโลกสมกบากสมบันี่ยเป็นลมกลิ่นมดินหอมกลุ้มขึ้นไปกลิ่นมวลดินหอมกลุ้มขึ้นไปในธรมโลกแล้วลมหนน่ะ เด็กกินงวนดินนี่แล้วก็ลงมากินง่วนดินกินแล้วรัศมีก็เสรอมคุณผู้หงง่ายว่าเกิดเกิดราคะเกิดปัญหาติดตดในรถเป็นราษะรปัญหาไปพุ่มโลกไปได้เลยเป็นปะฐมมนุดูสู่พันในโลกมนุษย์นี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะถามอย่างใกล้เข้ามาว่าปผมมนุษยเป็นปมมากลับนี้มาจากไหนก็ตอบได้ว่ามาจากพุมโลกมาจากโลกอื่นปฐมมากรจากโลกอื่นลงมาในโลกนี้ชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนอยู่เมืองไหน ชื่กิดจังหวัดนะไม่รู้นอ่จากว่าท่านแค่ท่านมาชมพูทวีปสถานที่ตั้งอยู่ที่ชมพูทวีปชมพูทวีปนี่ไม่ใช่อินเดียได้กล่าวมาแล้ว ค, คือคือโลกมนุษย์เหานี้แหละทั้งโลกที่กว่าชมพูทวีปแล้วคุณเจ้ารูกหนึ่งถามบอกว่าอาเรื่องมนุษย์เราที่ตายแล้วดวงวิ ญ, ญญาณก็จะไปประสิทธิ์ที่ทันทีก็หมายความว่าตัดตนหนึ่งก็ต้องไปเกิดได้ตนหนึ่งแต่สงสัยว่าทําไมพลเมืองของโลกยิงเพิ่ม ข, ขึ้นเรื่อย หรือว่าดวงวิญญาณที่ผิดขึ้นมาใหม่นอกรายการก็มีอย่างนั้นใช่หรือไม่อ่ลงนามพระสีไหลขันติพโลนะครับสีไัยขันติพโลพระสีไัยสีไัยใช่ไหมฮะสีไัยขันติพโลปัญหานี้ผมเคยตอบ ม, มาแล้วนี่ครับผมบอกว่าดวงวิญญาณที่มนุษย์เรานี่โลกมนุษย์เวลานี้เพิ่มขึ้นนะ่ะ ไม่ใช่ว่าเวียนว่วายูไนเกิดเฉพาะโลกเหล่านี้เมื่อไหล่ยเล่าสัตว์ลีลาชมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสัตว์นรกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเปรตมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมาจากจากมนุษย์ที่จักรวาลอื่นมาเกิดเป็นมนุษย์ในจักรวาล น, นี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันทานองหายไปเทมาครับเหมือนเรา อ, อพยพครอบครัว เวลาเกิดศึกสงครามประเทศนึ่งพลเมืองประเทศนั้นก็ข้ามแดนมาเมืองไทยอย่างประเทศลาวเกิดสงครามยิ่งตึนตามกันในเวียงจนันที่น้องชายฝั่งใต้ก็พเพียบมาอยู่เจ้าพี่จังหวัดอุดร น, น้องชายชั่วคราวตาเท่าพลเมืองในน้องคายอุดรขึ้นแต่อย่างเงี้อ่ะทงน้นก็เบาบางบกท่องไปมันเป็นอย่างนี้เวลาในโลกมนุษย์ทวีขึ้นน่ะก็เพราะว่ามนุษย์โลกอื่นเข้ามาเกิดมากลูกศิษยิชารูกศิษย์กมาเกิดในโลกนี้มากแล้วแต่เราค้นเกตดูก็แล้วกันสมัยใดโลกหักคับข้างด้วยธรรชน สมัยนั้นก็แสดงว่าพวกศัตที่มีบาปได้พากันตั้งหน้ามาเกิดในโลกนี้เพื่อจะล้างศานโลกช่นเวลานี้ถ้าเชื่อว่าเวลาที่รบาบอกพิธีธรรมเสื่อมผู้ทรชนมีมากที่มาต่อกำทําเข็ญต่อมนุษย์ต่อสันติภาพของโลกมนุษย์พวกนี้เราก็อาจจะถือว่าเป็นพูกเซตในรลกมาเกิดหรือเป็นพวกยักษ์พวกอาศูรย์ผูเนี้ยมาถือกําหนดในโลกมนุษย์ดีเพื่อจะมาศานโลกก็ได้ถ้าสมัยใดมนุษย์นี้มีแต่สาธุชนมาเกิดมากเป็นสมัยที่บานโล่งอยู่สุขสมบูรณ ไม่มีขมโมยกรขจนมีสติภาพแล้วก็ถึงว่ามีแต่พวกสาวผู้ชนมาเกิดมาจากเทวภูมิบ้างมนุษย์สุกติภูมิบ้างลงมาเกิดการมาทะลุขุมลุงโลกเพราะฉะนั้นไม่อาศจารย์เลยลุงโลกมาลกลุงน้อยโลกนี้มาลกลุงอื่นก็น้อยเป็นเงาตามตัวเราเลยที่ไปจักถือไปตามดูนั่นเอ ง, เองว่าลุงอื่นเขาน้อยแค่ไหนเราเลยนึกว่าเออวิญญาณในโลกนี้มาจากไหนนะมากไม้นี่นี่ก้อข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งท่านวิริยะประพัชโรถามมาว่า มีผู้เข้าใจว่าพระพิสุในาศาสนานี้เคยบินทบาทกับเทวดาได้โดยเทวดาใส่บาตได้อาหารแต่อาตามาเคยบินถบาทในป่าด้วยผลมะปูมหล่นอาารเชื่อไหมอย่างเขาว่าอ่าะว่าตูมหล่นน่าเชื่อแน่ครั บ, บไม่สงสัยละหล่นตังก้นไม้เนี่ยเชื่อแน่นะฮะผลไม้ที่หล่นเนี่ยแต่ว่าที่เทวดามางไม้ยืนอาหารให้น่ะก็เคยมีปรากฏนะครับเคยมีปรากฏในสมัยโบราณในประกรรุ่นอสังขาก็เคยเขียนไว้ ในอตาตมาฐานที่สังในรังตาเ น, นี่แหละเขียนไหว้ว่าลูกเทวดาไม่ใส่มามาใส่บาตรด้วยอย่างพระหมาจัดจุกท่านคำนโรธจมาบัตรพอออกจากนิโรธนี้เทวดาจ้องกันใส่บาตรพระอินทั์นี่จะแปลงกลรมาเป็นมนุษย์ธรรมดาชายแก่มาทําอาหารใส่บาตรพอมกับเมียแปลงเป็นตาแก่ย า, ายแก่มาใส่บาตรพระหาจัดจุจับได้เพราะกลินอาหารจะเป็นกลิ่นทิพย์อมขุนผิดกลิ่นมนุษย์ฝาหมันจึงรู้ว่า อ, อันนี้เท้าวาสวรรคเนี่ยเนีามาชิงบุญกับมนุษย์เข้าเนี่ยเราจะไปตรวจคนยากคนจน นี่มาชิงบุญซะก่อนต่อว่าซะ อ, อินมาต่อมาอย่าทำเรื่องเล่นๆเล่นแสดงละครแบบนี้น่าอาตมาไม่ชอบนะข้าจะไปโปรดพวกมนุษย์ลาวนี่ท่านก็มีบุญหนักสักใหญ่แล้วถ่าะไรเล ย, ยไม่อิ่มบุญนึตัวยังจะมาชิงตัดหน้ามนุษยส์สาบาทอาตามาอีกอ่าอ่พระ อ, อินทร์ก็บอกว่าโถก็พระอย่างพระคุณเจ้านะ่ะใครเนอที่อยากจะไม่แย่งสายบาทเพราะใครๆรั่ว่าสบาทกับพระคุณแล้ ว, ลวก็บุญคุณนั้นเนีวัฒนาฐาวอนพิงโยงยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะอย่าว่าแต่คุณจะไม่แย่งเลยเทวดา เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอำนาจชานสมาบัติถ้าพระที่มีชาญสมาบัติสูงสูงตินต่อายทิศเห็นกายทิศกายทิศก่อนเห็นพระองค์นั้นองค์นั้นก็เห็นกายทิศเรื่องใส่บาตเป็นรื่องธรรมดาเป็นไปได้เป็นไม่ได้ครับเวลานี้ยังมีอยู่แต่ไม่ใช่พระยีนะไม่ใช่นะคนละลายเช่นนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โคตายีนะครับผมคนละลายนะฮะที่ว่ามีอยู่ไม่ใช่ขคตายีเราก็ไม่ทราบว่าเป็นท่านบดมีนะมีแน่ ท่านผู้หนึ่งถามมาว่าในการปาต ก, กถาทุกครั้งคำขึ้นต้นคำแทนตัวผู้พูดจะใช้กับเด็กจะใช้กับผู้ใหญ่จะใช้กับคนส่วนมากทั้งเวลาสรุปเราจะใช้อย่างไรจรึงจะไม่ทําให้เราเตื่เขินเพราต่อไปจะต้องได้ไปใช้แล้วอใ น, น, นข้อนี้ก็ดตูต้องดูบริษัทนะครับสมมติว่าถ้าคุณกล้าไปพูดไปพูดกับเด็กก็คงได้คาแทนชื่อว่าเธอพูกับเด็กเธอ เด็กนักเรียนี่ยเราใช้คำไม่ว่ายิ้งวัย า, ายเราใช้คำว่าเธอเป็นเหมอะที่สุดเหมอกระถางรูปที่สุดใช้คําว่าเธอเธอทั้งหลายจน้นว่ะอ่าเธอทั้งหลายจะริ่มพรให้กับเธอทั้งหลายเนี่ยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่อ่าเธอทั้งหลายหรือว่าจงมีกับนักเรียนทั้งหลายก็ได้ถ้าเราไม่ส้าเราพูดถุงตระกูลแค่คนักเรียนถ้าพูดโดยเฉพาะให้คําว่าเธออย่างนี้ก็ได้นะถ้าใช้กับผู้ใหญ่คาแทนตัวผู้ผพูดก็ใช้อัตมานี่เป็นเหมาะ นะถ้าพูดกับเด็กนักเรียนเราใช้คำว่าฉันก็ได้เพราใช้คำอาจจะมาบางทีเด็กอาจจะอ่าไม่รู้บางคนไม่รู้จริงๆว่าอาจมาแปลว่าอะไรเพาะแบบเด็กเนี่ยเราใช้คำว่าฉันถ้าใช้กับผู้ใหญ่เราใช้อาจมาอันนี้เป็นคําใช้ทั่วไปเลยครับถ้าใช้กับคนสูนมากคําัพทนามก็อ่าท่านสาธุรชนทั้งหลายคำว่าท่านใช้คำว่าสาธุรชนเป็นคำกลางๆที่เหมาะเหมาะเหมาะดีที่สุดใช้ได้พวกบริษัทสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตบริษัทหรือว่าบริษัทสามัญชาวบ้านตัดสีภาษา เราใช้คำว่าสาวุูชนเนี่ยเป็นการครอบลังแฮกคุมไม่หมดเลยเป็นคํายกย่อง้ายๆเกาอยากจะเป็นคนสาวผ้ชนถ้าต้นผู้ท่ามันคมขำซะหน่อยหนึ่งเล่นซะาน่นซหน่อยหนึ่งอาจจะเข้ามาดูกระสันสาวผู้ชนหลายก็ะดาษใครก็มาดูกระสันสาวเป็นการดุดดุจไความสนใจอ๊ะเพราะคนจะเอางี้ขุดแบบนี้เข้ามาดูกระสันวัเก่าๆดีนี่เอาขยับนี้ก็ะดาษอย่างนี้นะฮะแล้วส่วนคํลงท้ายน่ะก็เป็นคําให้พรตามธรรมดานะครับทําให้พรตามธรรมดา นะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลกท่านสมุทรแช่มภรละธรรมูถามมาจากนครศรีธรรมราชบอกว่ามนุษย์มาจากไหนนะฮะมนุษย์มาจากไหนท่านตอบว่ามาจากสุวรรโโลกทราบแล้วเทวดาที่อยู่ในสุวรรคนั้นมาจากไหนก็นั่นนะสิก็ผมก็ผมนึกถึงเรื่องอท่านทราบว่าถ้าเราพยังไปใส่ฟ้าลงต้นต่อแล้วก็อดถึงใายไม่ได้ว่าต้นต่อของต้นต่อของต้นตอ ไม่มีที่สิ้นสุดดังที่ว่ามาเพราะฉะนั้นครับปริจญาจึงสอนว่าอย่าไปคิดมันเป็นไอจินตาไม่โลกไอจินดาให้คิดแต่รุ่นทุกกับความคุกข์ดีกว่าถ้าไปคิดอย่างนั้นแล้วเป็นการเหนื่อยเปล่าคิดเท่าไรก็คิดไม่ตกห้ามคิดเป็นไอจินตยะท่านบ่าไว้อย่างั้นผมก็ไม่ทราบข้อขอนี้ตอบไปด้านเหมือนกันเป็นไอจินตายเหมือนกันเพราะปริจญาห้ามคิดถึงคิดไปก็มีส่วนในความมุขฟุ้งซ่านท่านว่างั้นไม่กล้าคิดข้อนี้ แต่วา่าขอจะย่มนีอนิดนึงถ้าจะไม่ตอบซะเลยเราก็คงอะแย่หน่อยไม่บอกว่ามันไม่บอกเาไม่รู้มันจะไหนลราตอบได้อันเดียวดาหลักก็เป็นจากตัวบาทมาจากอวิชชาตอบแบบนี้มาจาก อ, า, นะ า, า, อ า, าจาวิชชาเนี่ยแหละถ้าทำมาอวิชชามันจะไหนก็บอกว่ า, วามนจะอาสวะตอบนะมามันจะอาสวะหากเป็นธรมาธิฐานเลยทำมาอาสวะมันจะไหนบวมันจากอวิชชาอาวิชชาจะไม่มาจะอาสวะวนอย่างนี้ ไก่เกิดก่อนไก่ไก่เกิดก่อนไขยย่เงี้ยไครมาจากไก่ไก่มาจากไขย่ย้อนนี่แล้วเขาจะรู้ว่าไข่เกิดก่อนไก่หรือไก่ไก่เกิดก่อนไข่ไข่ก็มาจากไก่ไก่ก็มาจากไข่เนี่ยเราย้อนต่อนี้ต่อเข้าไปอย่างนี้ก็ลกกแล้วกันเนี่ยย้กลองไม่ให้จะเอาวิชาแล้วต่อจากวิชาก็ย้อนไปอาสะวะต่อจากอาสวะอาสะวะก็ย้อนมาหวิชาอีกแล้วก็ไปหาอาสะวะอีกหยอกย้อนกันอย่างนี้แหละ แล้วคนเดียวหลักเปรียบว่าไข่เกิดก่อนไก่ไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดแต่ไก่ไก่เกิดแต่ไข่วนเวียนนี้ลงไปให้เขาตอบว่าถ้าแกตอบปัญหาเรื่องว่าไข่เกิดก่อนหรือไก่เกิดก่อนท่านก็ตอบปัญหานี้ได้หมอเข้างั้นเราเราหมอเราก็ตอบปัญหานี้ได้ให้ตอบมาก่อนต้องใช้วิธีรื้อสํานวนบ้างนะถ้าเขาเจอคุณรวนรวนรวนเล่าอยากจะให้ตอบแเราก็ใช้วิธีรวนตอบนิดหน่อยรวนดูวิธียิ่งปัญหาเป็นปฏิบูชะให้ให้ใครเขาตอบออกมาให้เราทรา วายขายกันไก่ยนอันนห้นเกิดก่อนใครตอบได้หมดหลายแล้วก็ตอบปัญหานุษย์คนแรกหรือคนเท่คนนี้น เ, เกิดพม่าโลกได้คนแรกให้เขาทราบเนี่ยเวิธีที่เราต้องปรับรุงให้เข้ากาับไอ้สถานการณ์พอแล้วครับปัญห า, าวันนี้กูจะตอบไปหมดนะฮะข้ อ, อที่บรรยายมานั้นท่านเจ้าอธิการถนอมถามมานะครับ ที่ตาอยู่โกถามมาเท่าที่ได้บรรยายมานั้นมีตอนหนึ่งความว่ามนุษย์ที่เกิดมานั้นต้องเอาวิญญาณจิตชาตก่ามาด้วยสัดแม้มนุษย์ที่เกิดมานั้นกิริยาการหรือการจะทําทุกอย่างก็คงเหมือนชาติเก่าทั้งนั้นหรืออนหนึ่งจิตที่ติดมานั้นก็คงเป็นอัตาอตาตมันหรืออย่างไรไม่ใช่อตาตมันทรับเพราะจิตที่ติดมาไม่ใช่จิตดวงเก่าเป็นจิตดวงใหม่ซึ่งเกิดจากเชื่อดวงเก่าคนละดวงคนละขณะเพราะฉะนั้นไม่เป็นอตาตมันถ้าเป็นอตาตมันแล้ว ไม่มีเป็นดวงดหรือเป็นขณะขณะคงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเลยย้าวไปต่อย้ายมาไอคนนั่นแหละนี่แต่ว่าลักษณะการปฏิสุทธิในพุทธศาสนานั่นเป็นขณะขณะขณะปฏิสุที่ขณะหนึ่งขณะจุติขณะหนึ่งแต่ว่าทั้งสองขณะนั้นมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องเชื่อมเหตุปัจจัยที่ว่านี้คือกระแสของตัมตัมมาโสตปัญหาโสตปะเป็นเครื่องเชื่อมเชื่อมต่อระหว่างปฏิสุทธิกับจุติระหว่างจุติกับปฏิสุทธินะ คนที่ถามว่ากิริยาการคุณยังเหมือนชาติเก่าไม่เหมือนสิครับสันดานนี่สิครับแก้ไม่ได้เอามันแต่ชาติเก่าสันดานสันดานานัาจากชาติเก่าแนะไอ้กิริยาการนักเป็นเครื่องอบวมใหม่ในชาตินี้เ ช, นชน่นว่าชาติเก่าพูไมาสู่เป็นแขกชาตินี้มาสูดเป็นไทยจะเอากิริยาการของแขกในชาติเก่าพูดไปก็สั่นหัวไปไม่ได้แขกเวลาพูดนนะ่ะคํารับนะ่ะเขาสะทอหัวนะคนที่ไม่เข้าใจนึกนว่าเอไอ้บังนี่พูดทีไรมาสั่นหัวมาตเสร็จอุ้กทีไม่ใช่ สมมติเราพว่าบังยังงูนั่งอย่างนี้นะเขาเขามาตอบว่าชาวหรืจาจ่า จ, าจา่าลวก็เขาจะใช้วิธีโครนที่สารับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคงเนี้ย ค, คงรับคนที่ไปอินเดียใหม่ใหม่นีว่าเ อ, อยังไงกันนะผู้จ่าไม่รู้เรื่องผูกกันธีไรคงล้วลับพิเสธทุกถีไม่ใช่พิเศษเขาคงรับตอนนี้ก็เกิดเป็นคนไทยแล้วตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่อบรมด้วยระบบทำเนียบประเพณีไทยกิริยาการก็ปรเป็นคนไทยสิครับกิริยาภายนอกเกิดจากการอบรมไม่ใช่เกิดจากฝันดาล เรื่องสันดานทางหากายาที่ติดมันจะชาติกต่างก่อนสันดานคุณมันสมบัติประจำใจนะี่ติดมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าแขกบอกระหว่างแล้วก็สันดานแล้วก็ติดเรื่องของชาติเก่าติดมาเกี่ยากับการูรืองอมใหม่ได้ในชาตินี้ตามประเพณีวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆท่านผู้หนึ่งคือท่านพระจำนงตพัทสโรแห่งประจวบคีรีขันธ์ถามมาว่า ศาสนาที่มีแหล่งกําเนิดในเอเชียใต้หรืออินเดียนั้นมีศาสนาสิกรวมอยู่ด้วยศาสนาสิกนี้แบบเดียวกับฮินดูหรือเปล่าและคําว่าสิงห์กับพระฮิทธารีนั้นมีความหมายอย่างไรอศาสนาสิกนี่ก็มาจากคำว่าศาสนาที่เป็นลูกศิษย์ต้งเองศิขาหรือศึกษาหรือศิษยะคำเดียวกันละครเป็นศาสนาใหม่เพิ่งเกิดมาเราราวจาก400ปีมานี้3400ปีมานี่แหละ เราไม่ไม่เกินห้าร้อย500ปีศา ส, ส, สนานี้นะครับเกิดขึ้นในอินเดียเกิดขึ้นเพื่อต้องการผสมคติธรรมของฮินดูกับอิสลามให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพืเป็นต้นลัทธิชื่อว่าครุมานัคเทศศาสดาครุนานัคเทศเป็นชาวอินเดียภาคเหนือครุนานัคเทศเนี่ยอคําขวัญประจําศาสนานี้ที่ครุนาคเป็นผู้ประสิทธิประสตท คือคําว่าไม่มีฮินดูไม่มีอิสลามมีแต่พระวิญ้าที่เป็นองค์แห่งสัจจะพระวเจ้าในศาสนานี้เรียกว่าอค า, าลาบุรุษอค า, าลบุรุษคือบุรุษที่ไม่มีการอธิบายจะอธิบายมา ก, ก็คือพระชมนั่นเองถึงไม่จะเรียกชื่อเช่นใหม่ความจริงก็มีลักษณะคล้ายๆชมในฮินดูนะศาสนานี้เกิดขึ้นในสมัยที่ศัาสนาอิสลามเข้ามาเป็นอย่ในอินเดียแล้วก็มีการกดขี่พวกฮินดูให้เปลี่ยนศาสนา ครูนานาเทพจึงต้องการจับสมานสมาธระหว่างาศาสนาชนสองศาสนานี้ได้ตั้งศาสนาลัทธินี้ขึ้นมาอผลก็คือว่ามีลูกศิษย์ทั้งที่เป็นฮินดูทั้งที่เป็นอิสลามแต่ว่าผลแห่งการรวมสองศาสนาแทนที่จะประสานาสมาธิสำเร็จกลับกลายเป็นว่าได้เกิดศาสนาใหม่อีกศาสนาหนึ่งคือศาสนาที่สามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการรวมศาสนา ก, ก็าดีการรวมนีกายก็ดี ไม่มีทางสาเร็จได้ในโลกยิ่งรวมไปก็ยิ่งแตกแยกตลายเป็นมีกายที่ 3, ส า, านมา น, นี่เป็นศาสนาที่สามขึ้นมานี่นี่เปข้อเท็จริงในเะรื่อประวัตวิศาสตร์นะเพราะว่าเรื่องทนะี่จิตใจน่ะใครจะม า, มาบังคับกันไม่ได้ถึงแม้จะรวมกันในระยะแรกมันต้องประแตกในตอนปลายศ า, าสนาศิกยิงเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นจากฮินดูจากอิสลามเอาคติธรรมทั้งฮินดูทั้งอิสลามเข้ามาผสมผสานกลายเป็นศ า, าสนาศิกแล้วก็ต่อมา ถึงศาสดาองค์หนึ่งที่ว่าโควินทสิงซึ่งมีชีวิตใ น, ใ น, ในร่วมรัชสมัยกับพระเจ้าออรังเศษจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์มูกุลซึ่งเป็นกษัตริย์อิสลามสุทธองนครเล ด, ดีในอินเดียได้ทำสงครามกับพระเจ้าออรังเศษโควินทศิง์เนี่ยนะเมื่อโควินทสิง์ตายลงก็ไม่ได้ตั้งทายาทให้เป็นศาสดาต่อมาต่อมาศาสนาิกสายจากโควินทศิงก็ถือว่า โดกโควินทถสิงห์ก็เศาสดาอีกแล้วถึงเอาพระธรรมคำพีเรียกว่าอาธิขันในศาสนาเป็นศาสนาทานองเดียวกับพุทธศาสนาถึอเอาพระตรดกเป็นศาสนาเอาธรรมวินัยนี่เป็นอาปาคต์นี่เป็นศาสดาศาสนาศิษก็เอาคําทีอาธิขันเป็นศาสดาแต่ว่ายังมีศิษอีกเครหนึ่งในแยกนีกายออกมาอีกจะมีกายที่สองเรียกว่านิกานามัทารีนิกายนี้น่ะถือว่ายังมีศาสนาที่สืบเชื่อมาจากโควินทถสิงห์ ไม่ขาดสายแม้กระทั่งปัจจุบันยังมีศาสดาอยู่เดจินมีมีกายใหญ่ๆสองนีกายคือเราสังเกตนะจะเป็นสาวโลกในนีกายไหนนี่กายที่ทพวกผ้าแล้วมีแหวกกลางแหวกกลางอะพวกผ้าสีต่างๆและแหวกกลางนิกายนี้เป็นนีกายที่ถือว่าถือเอาคำพีอภิคันเป็นศาสดาถือเอาศาสดาโคบินทสิงเป็นคนสุดท้ายส่วนแขกที่พวกาขาไม่แหวกกลางพวกเลยเป็นลุลกลมุม ใช้ผ้าขาวลวนโพกไม่ไม่ใช้ผ้าสีโพกแล้วก็ไม่แหวลกลางด้วยแค่พวกนี้ยังเป็นพวกศิษย์นิการนามาทารีถือว่ายังมีศาสนาที่สืบมาจากโควินเสิงกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตยอยู่มาเมืองไทยบ่อยๆศาสดาพวกนี้มาบ่อยๆศูนย์กลางของศาสนาศิษย์นเนี่ยอยู่ที่เมืองอมริษสาหรือเมืองปากดิ์อมริษในปัญจาบอินเดียภาคเหนือติดกระชายแดนประเทศปาจีฐานนี่มีโบสถ์ทองคําสวยงามมีศักดิ์ศิษย์ เป็นศูนย์กลางของศาสนาสิกอยู่ที่นั่นแต่คำว่าสิงกับสิกหือสิงเนี่ยบางกันต่างจากคำว่าสิกครับเพราะสิ่งเนี่ยเพราว่าเราสิกโดยความหมายคําว่าสิงในที่นี้เน่ะเป็นคําที่ท่านสาวดาโคเป็นสิงน่ะมาเดชสถานขึ้นทวีติจ้ปลุกใจในบรรดาชาวสิกกับดาบสู้กับผู้อิสลามที่มาทําลายอ่พวกศาสนาสิกครับเพราะฉะนั้นทวี่ลงข่าว่าสิงสิงสิงแล้วว่าพวกนี้เป็นพวกสิกเนี่ย สอ้ติ้ิ้งเนี่หลวท้ายส่วนคำว่าพิชิตารี น, ะน่ะเป็นคำความหมายของศ า, ศาสนาศิกเหมือนกันในทํานลองตัดสืทติพู้ทาลงไว้ซึ่งศาสนาศิกย์ค่ะเนี่ยความหมายในข้อนี้มีอยู่อย่างนี้นะฮ ะ, ะ, ะท่านปุญญกาการมูพิโคถามว่ามนุษย์นี้เกิดมาจากพวกโคลมลงมากินงวนดินในต้นปฐมอากัศนั้น ความจริงตามตามหลักพระอภิธรรมกล่าวว่าพรหมนั่นไ ม, ม่มีเพศหญิงเพศ ช, ช, ชายฉะนั้นจะเกิดมีลูกหลานสืบ ส, อสือต่อกันมาเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ได้อย่างไรอ่ข้อนี้คืออย่างนี้ครับพอพรหมกินแล้วก็ความเป็นพรหมเสื่อมเพราะอับอมนุษยไม่ได้เสื่อมหมดแล้วการเป็นมนุษย์ไปลักษนี้ก็ตก อ, กอุภายก็ไม่มีหมดหม ด, หมดฐานะความเป็นพรหมการเป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วต้องถือว่าจุติกับอมโุกแล้วโดยพุตธิในเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยข้อนี้ครับ ท่านสุปะวังโสที่ขูถามมาว่ามีคนคนหนึ่งมีมัจฉริยะคือธรรมดาแล้วขี้เหนียวเหรือเกินแต่ตรงกันข้ามเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นคนใจบุญสุนทานคือทำบุญไม่อั้นไม่ว่าใครจะให้ทำอะไรเป็นคำทั้งนั้นอยากทราบว่าเขาผู้นั้นจะได้บุญหรือไม่อธิบายด้วยจะได้บุญหรือไม่ต้องอยู่ที่บาราณน้ำจิตในขณะที่เขาทาไปน่ะเขามีความรู้สึกที่เป็นจาระคาหรือเปล่ามีความทำไปแล้วรู้สึกผ่องใส ในกรรมที่ตัวทำไปแล้วหรือเปล่าถ้ามีความรู้สึกเป็นจาคะในขณะที่ทํามีความรู้สึกที่ผ่องใสก่อนทํากําลังทําและทำแล้วเป็นบุญล้อยเปเซ็นเพราะคนกินเหล้าน่ะบางคนกินจนอาลินน่ะคลองสติไม่ได้ก็มีนะครับกินจนนั้นเนี่กินน้ำน้ำข่าน้ำปากปลาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเลยแม่โ ข, ขดต้องโขดเนี่ยสติจะไปทัญยายังไม่ถึงกับเสียไปก็มีถ้าในกรณีอย่างนี้แล้วเขอาจจะมีความรู้สึกพอใจเป็นสุขว่าเขาได้ทําบุญทีนี้เขาก็ได้สิครับ แต่ถ้าไม่มีความรู้สึกดังกล่าวก็ไม่ได้ไม่ได้ทำไปดยโมหะเนี่ยไม่รู้เรื่องทำไปยังไม่รู้เรื่องนี่ใครมาว่าแล้วก็ยกยึดสมทรงให้ไปถึงจะได้ก็แหมพูดยากพูดยากเต็มทีนี่จะไม่มีความหมายเลยนี่สาหรับข้อนี้นะครับท่านโพสีพิขูถามมาว่าผวังกับจิตต่างกันอย่างไรทำไมพระเดี๋ยวนี้จึงทาผวังจิตไม่ได้ และมนุษย์เราสามสิบสี่สิบปีทําไมถึงไม่มีลูกหรือเป็นเพราะกรรมแต่งจํากัดสัตว์เท่านั้นอ่าพภาวันกับชมภาวเนี่ะภาวันน่ะคือความมีความเป็นท่านดังเป็นสามตามมาภาวารูปกับาวรูปกับภาวากลมาพบูับพบรูปกพนะส่วนจิตน่ะหมายถึงธาตุรูธาตรู้ธรรมชาติได้รู้คิดรู้นึกปรุงแต่งในอารมณ์เกิดสังสมได้ในอารมณ์ธรรมชาตินั้นคือวิจิตเนี่ย เพราะฉะนั้นเมื่อดาวถึงทพก็หมายถึงจิตเพบาะทพเรากาหนดได้จากภูมของจิตถ้าไม่มีจิตแล้วทพก็มีความหมายนี่เพราะฉะนั้นพวังพระวังกับจิตเนี่ยเมื่อบวกกันแล้วก็เป็นเพราะว่าจิตก็บวกกันแล้วก็เป็นพวังกับจิตหมายถึงจิตที่เป็นองค์ของทพหรือจิตผู้ครองทพคือครองความเป็นเจ้าในกามาพบอารมณ์พบอรมณ์พเนี่ยเป็นอย่างนี้ที่ท่านถามว่าท่านพระเดี๋ยวนี้จึงทำพรวังจิตไม่ได้ทำมันจะทําไม่ได้ครับ เรามีเวังอยู่ทุกขณะนะเดี๋ยวนี้เนีพนังถ้าคุณเจ้าก็ e มีเวังกันตัง้งดีแสงโกรธขณะก็ไม่รู้ทุกทุกวิถีที่เรารับอารมณ์เมื่อจะเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์หนึ่งต้องรู้วังก่อนทุกครั้งไปทําได้แล้วไม่ต้องตั้งใจทํามันเป็นอารมเ์มติเป็นไปเองด้วยค่ะท่านมันเป็นเองไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งใจทำมันเลยมันเป็นอารมเมติเป็นไปเองเมื่อสุกวิธีจะเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วมันต้องรู้เาวังแล้วก็ขึ้นรับอารมณ์อื่นอืมาแล้วก็เสร็จแล้วกับ้าไรดป็ เพราะนันมันเป็นอัตโนมัติโดยธรรมาชาติแล้วมันต้องไปตั้งใจทำมันก็เป็นอยู่แล้วครับเรื่องนี้ที่ท่านถามน่ะคงจะหมายถึงเกี่ยวกับทางสมาธิกับมังคับเพราะวางจิตไม่ใช่สมาธินะครับไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิสมาธิต้องอยู่ต้องพ้นผวังท่านยังเป็นวางอยู่เป็นสมาธิไม่ได้ในฌานาวิถีน่ะจิตต้องจิตต้องขึ้นจากผวังแล้วในฌานาวิถีน่ะจิตตัดผวังไม่ได้ถ้าจะดวังก็ไม่ใช่ฌานไม่ใช่อยู่ในฌานในสมาธิจิตก็เหมือนกันจิตต้องผวังไม่ได้ เข้าพะวงนะครับก็ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านพูดธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่อาภิธรรมพูดคิดเข้าพะวงก็คนที่ว่านั่งตลุงนี้ไม่รู้หรือนีหนุ่ยไหนนั่งเมาไอคนนี้กำลังตกพะวงอยู่นั่งเม อ, อคนน ว, อมอวามหมายชาวบ้านเนี่ยนั่งเมอตาลอยไม่เป็นสงใจรอยไปที่ไหนก็ไม่รู้นี่จุดตรงเข้าเสกพะังกำลังตกพะวงอยู่คนคนนี้หรือคนที่หลับสนิทหลับสนิทที่มีฝันก็ตกพะวงนี่ แต่ถ้าตามทัศนาทางอภิธรรมแล้วเขามาตกพวังน่ะเป็นทุกขณะที่เปลี่ยนอารมณ์เลยวันหนึ่งก็ตกกี่โกรธกี่ร่ามขณะก็ไม่รู้วันวันหนึ่งนี่เพราะฉะนั้นในตามแนวปรมามัดก็เป็นอย่างนั้นนะครับอ้า ไ, ไม่ไม่คลายสิครับคลายไม่ได้ทีเดียวอ่ะเพราะว่าติดตกพวังน่ะติดมันว่างไม่ได้ในพวังก็ยังมีอนุสัยกิเลสในพวังก็ยังมี ตัมาตมะอารมณิมิตตนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์อันใดอันหนึ่งอยู่นี่ครับจะไปจะไว่างจากโลภะโทสะโมหะไม่ได้ในระวังนะครับแค่ได้อนกกถ้าเราถ้าถ้าอย่างนั้นตมจะตามไม่ได้อย่างไรล่ะรวังไม่ได้ต่อจปะปฏิสันขีแต่ในขณะที่จุติ จ, ตจิตินะ ขณะนั้นมันก็มีอนนี้ไฟอยู่ในจิตวิญญาณจิตวิญญาณทิมพ์ธรรมะที่เปลี่ยนทบตัวเองนะครับเปลี่ยนทบตัวเองคล้ายๆนี้คล้ายๆคนเราเลยเนี่ยเปลี่ยนยูนิฟอร์มออกจากตัวกันนันเองพอดยูนิฟอร์มทหารออกเอายูนิฟอร์มเอกประชาชนสามัญลาสตรองธรรมดาแต่งสาคนพอจัดสากลเอายูนิฟอร์มทหารใส่เป็นการถอยูนิฟอร์มนั่นเอง ได้ร้อเป็นเลยอนุสัยน่ะนิตต์แตทั้งยุทธเป็นสารมันธรรมอนุสัยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูก็ลูกประธไม่ได้ไม่ขึ้น้ามาทจกแฝอยู่ก็ลูกประธไม่ได้ ไม่เป็ิเลสนะครับไม่ถือเป็นอนุสัยอุปมานี้อุปมาว่าปูเราอบเครื่องเครื่องหอมอบดานานืวย เ, เครื่องหอมอบมานานแล้วต่อมาเราเลเครื่องหอมนั้นออกกลิ่นหอมยังติดปูอยู่ชั้นใดว่าศาสนาก็งฉันนั้นแม้กิเยสจะถูกถอนแล้วคือเลี้ยวเครื่องหอมนั้นออกไปแล้วพิ้งไปแล้วเผาไปแล้วแต่ความหอมยังติดอยู่เป็นว่าศาสนา ไม่ได้ถ้าว่ารูปไม่ได้ครับกิเลสิกอยู oh, ่ก uh, ็จิตเกิดกระจิตดับกระจิตไม่ใช่เกิดกระลูปดับกระรูปไม่ได้เพราะรีบุตรที่กระโดดเนี่ยกระโดดด้วยใจให้มันหักล่ะอานุใส่เราไม่สะาว่ากราแจ่มนะเพราะอานุสัยนี่น่ะอุปมาเหมือนเมล็ดมลโม่เมลเมล็ดลม่อยู่เราจะมองไม่เห็นต้นใบเนี่ยเมเจอร์สิกจะทำดิบดองอย่างนั้ใช่ไหมมันทำง่ายใช่ไฮะตอบยากจะตอบอกว่าเมลโม่เมลนี่น่ะ บอกมีต้นมีใบใช่ไหมผมตอบเขาทำไมได้ขณะที่มีไม่มีต้นใบมันต้องมีเหตุปัจจัยมาฟ้อนมาสอนต้นใบถอย่างอกตอบยากจะตอบบอกว่าเม็ดมะม่วงเม็ดนี้น่ะบอกมีต้นมีใบใช่ไหมผมตอบเขาทำไมได้ขณะที่มีไม่มีต้นใบมันต้องมีเหตุปัจจัยมาฟ้อนมาสอนต้นใบ้อย่างอกเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกับที่ท่านถามบอกว่าอ่าอมณสาย่นาดุจใจเป็นศีกธรรมอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนกันครับเหมือนกับประเด็นนี้แหละ ถ้าอย่างนั้นท่านนายกต้องปัญหาบอกว่าโสดาปฏิมัคจิตรโสดาปฏิผลจิจอนุมสัยมีหรือเปล่าถ้ามีทําดําทําขาวทําดําทําขาวสังฆะกันเน่ไม่ได้ดิมัคคิตโผลกิจยังมีอารมณ์สายขึ้นเป็นอารมณ์หรือเปล่าอนุสัยเป็นเจตสิกหรือเปล่าถ้าถือว่าอารมณ์สายเป็นอารมณ์อนุมณ์สายเป็นเจตสิกธรรมแค่างั้นทําดำทาขาวสังฆะกันผิดหลักของสภาวธรรมนั่นแหละเข้าประเด็นอย่างแจ้งสนิทคำถาเนี่ะ อ่ากิเลสนะอนุทายกิเลสนะมีอยู่ในโสดาปฏิมาตจิตโสดาปฏิผลุจิตก็มีเพราะโสดาน้าตัดแต่สังโยชน์ต่ำสังโย่น์ทรงที่ท่านตัดไม่ได้จะหายไปไหนเสียถ้าจะบอกว่าไม่มีโลยอาถ้าไม่มีโลยนั้นโสดาปฏิมาจิตโสดาปฏิผลุจิตจะต่างอะไรกับอรหันตมัจจิตอรหันตผลุจิตล่ต่างอะไรกันถ้าหากว่าไม่มีสังโยชน์ทรงก็ไม่มีในขณะนั้นแล้วก็จะต่างอะไรกับมัจจิตพลุจิตกับพอรหันต ต้องมีอะไรต่างกันสิไอ้ข้อต่างกันก็คือว่าแม้ในขณะโสดาปฏิมรคจิตโสดาปฏิโกลจิตนั่นแหละอนุสัยก็มีอยู่ด้วยในขณะนั้นแต่ขณะนั้นอะอนุสัยเหล่านั้นอะไม่มีพฤติกรรมต้องพูดอย่างนี้ไม่มีพฤติกรรมเหมือนกับเม็ดมะม่วงติดเอาต้นใบเอาไวา้ขณะนั้นไอ้ชี้บอกว่าไหนที่เม็ดมมงมาให้ดูสิชี่ไม่ได้ผ่าก็ไม่เห็นไปผ่าไปเป็นซอยเม็ดมะม่วงมาก็ไม่เจอต้นเจอใบ ต้องรอปัจจัยมันเล่งเล่าเสียก่อนมันไม่ยังงอขึ้นมาชั้นใดขณะมักกิพราจิตของภาคระยะมูอคนเ่อมต่ำกว่าชั้นนั้นแบบนี้อนุสัยนี่อย่างที่ท่านว่านี่าานหดดแหละศาสนาดุดีแหละวาสนาสิดอยู่มาเรื่อยแต่ว่าสนาไม่ให้อนุสัยนะอย่ามาตุนการอนุสัยนะครับวาสนาเนี่ยวาสนาทำไปโดยที่มีเจตนาเป็นเครื่องสมบัติเลยทำมมด้วยความเคยชินเพราะว่าอบรมมานานเหมือนกับเราอบเครื่องหอมในตู้หรือเอาเครื่องหอมออกออกตู้ก็ยังหอมเอาวันนี้ได้สามทุ่แล้วครับเห็นจะพอสมควรแต่เวลานะครับ ปัญหาก็ะข้างไว้ก่อนท่านนี้เพราะจ็ดดวงทิ้ทงเท่านี้ถ้าโมหะมันเป็นชาวอาหลับโดยตรงเลยเใช่ครับและคําว่ายะอาลอ์ยาอาลอ้นั่นก็มาจากคาอาหลับใช่ไหมยาอาลอ์ยาอาลอยาตาลอนั่นเลยใช่เคยท บ, บในหนังสือพงศาวดารใช่ครับใช่ครับใช่ครับทีนี้เ่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ครับ ครับทีนี้ศาสนามล า, ายูหรือว่าอิสลามนี้่ถ้าหากว่าคนหนึ่งผูดด้ใดเกิดลูกออกมาก็มีโต๊ะยีไปกรอกที่หูของเด็กว่ายะอานอยะอานอห<อ>มายความว่าจะให้เด็กนั้นใหญ่โตขึ้นมาและก็ให้เป็นคนใหญ่คนโตขึ้นอ๋ อ, อแต่เพลงนี้ผมว่าคุณเพิ่งเคยได้ยินที่นี่แหละครับแหนครับอ๋อ คือไปจอกที่หูเด็กนะอเวลาเด็กเกิดมาใหม่ๆแล้วก็มีโต๊ะยีครับหมายความว่าหัวหนา้าไม่บอกบอกทำไม่ได้เด็กไปจอกที่หูเด็กว่าอย่าอโลยาอโลมาแปรมาแล้วก็เรียกว่าให้เด็กนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่คแต่ว่าทําไมที่าศาสนาอิสลามเขาไปอ่าทําพิธีในเมืองเมกะกันมากเหลือเกินอ๋อที่ไปที่ไปทำยิธในเมืองเมกา呐 ก็าว่าที่มึงเมกการมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเรกว่าสถานกาบาสถานกาบาเนี่ยเป็นของเก่าก่อนท่านมุฮัมมัดเกิดคือพว ก, พวกอาหรับในสมัยก่อนท่านมุฮัมมัดนะ่ะนับถือศาสนาพหุเทวานิยมแล้วสถานกาบาเนี่ยในสถานที่แห่งนี้มีหินอยู่ก้อนหนึ่งเป็นหินสีดําหินสีดำก้อนนี้นะ่ะพวกอาหรับก่อนท่านมุฮัมมัดนับถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของโลกแกนของสวรรค์แกนของโลกอยู่ที่นี่พระผู้เป็นเจ้าคพระอัลลอฮ์น่ะประทับอยู่ที่นี่ที่บังลังหินก้อนนี้ สักที่สุดนะแล้วบริเวณกาบาเนี่ยนอกออกมาก็มีเทวรูปเทวรูปที่พวกอาหลักสลักขึ้นบูชาตั้งสามรอกว่าองค์คือต่างคนต่างสลักพระเจ้าของขึ้นมาบูชาแต่คงเข้าใจว่าคงจะเป็นพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองเมกาด้วยไอหนี้เห็นจะเป็นข้ออนิทฐานเราอะะอาหลักถานไม่ได้นะครับว่าจะเป็นของถูกหรือไรแต่แสดงว่าเป็นเทวรูปแน่เทวรูปแน่แล้วก็เทวรูปเหล่านี้น่ะข้ามุฮัมมัดสั่งให้ทําลายหมดในวันประกาศ าศาสนาอิสลามยกกองทัพเขามาตีเมอเมกกะบอกว่าให้ยาออกนามพระเจ้าอื่นยกเว้นไว้แต่พระอัลลอฮ์เนี่นยแล้วทําไมาศาสนาอิสลามก็มักจะตัดอวั ย, ยวะถืบพันธุ์ของเขาไอ น, นี่เป็นประเพณีครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาบัญญัติที่าาาศาสนาเป็นประเพณีของอาจัดโคยิวฮะอันเนี้ยมาจากโคดิวเป็นประเพณีเข้าว่าเพื่อความสะอาดไอของเดิมความความตั้งใจเดิมต้องการตัดให้เพื่อชําระล้างความสะอาด จุดมุ่งหมายเดิมต้องการความสะอาดไม่ใช่ไปบุ่มในกุศลอะไลายแล้วศาสนาอิสลามตั้งแต่จังหวัดภาคใ ต, ต้จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาสตูนยาลาณราฐิวัฒนปัตตานีนี้ก็ชาติอาหรับมาตั้งก่อนใช่ไหมไม่ใช่ครับศาสนาพวกนี้นะมาจากพวกประเทศพวกมรากาเจ้าเมืองสุรานเมืองมรดกาเป็นคนประกาศเอาศาสนานี้เป็นศาสนาประจํำลับ แล้วหลังจากนั้นเชื่อวงของตัวต่างหนึ่งมรดกาเนี่ยไปต่อไป่งานมาถึงผูกตัตางในรัฐต่างๆในปาหอังตรังงอตรังกนูปาริสเยโฮมีเชื่อวงเป็นมาถึงกันหมดก็เลยทักทูนกันมาเข้ารีติอิสลามก็ในประเทศมาเลเซียก็จัดว่าศาสนาอิสลามอยู่เหมือนกันใครฮะใช่ไหมประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเลยฮะมาเลเซียมาเลเซียใช่ทำไมฮะก็มีศาสนาอิสลามคนอยู่มากเหมือนกัน ก็ศาสนาอิสลามมาเข้าเมืองมะละกาเป็นเมืองแรกก่อนเวลาจะเข้ามาสู่้ินโดนีเียมาตั้งที่เมืองมะละกาก่อนแนล้ะมหาราชาที่เมืองมะละกาเนี่ยเป็นคนแรกที่ทิ้งศาสนาพราไม่ไปอิสลามตอนนี้เป็นพาราณ์นะถ้าคาว่ามาห า, าราชหมดเลยเป็นพาราหมดเป็นพาราหมดมนักงถือพาราชนกพุทธเนี่ยแต่ทําไมอยู่ในความอารักขาของอังกฤษเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยตอนพุทธละตนาโกสินอังกฤษ บริษัทอนะินเดียกัมบาีน่ะมาตั้งขึ้นแล้วอินเดียกรมนีก็ต้องการชิงอำนาจจาพผู้ออลัน ด, ดาออลัน ด, ดานะ่ะยึดครองประเทศมาเลเซียอยู่ก่อนแล้วออลัน ด, ดาก็ยอมยกประเทศมาเลเซียให้อยู่ในขายอิทธิพลของอังกฤษอังกฤษก็ค่อยคิดการจากักรวรรดิยมขยายไปในดมืองท่างเมืองเป็นอย่างนี้ครับก้าวม่วนแถมแล้วภาษาเชียงใหม่ ขอถามปัญหาคือญาติของอัตมาอยู่ในกรุงเทพนี่เองชั้นปัญญาชนหัวหน่อกเป็นอาจารย์สอนมาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาแต่งงานมาได้เก้าเดือนประสูติดาคนแรกลูกหัวสาวเขาร้องไห้มาได้หลายวันจนตาตาอ่อวนใครตอบก็ไม่หยุดร้องไห้พวกญาติก็ไม่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรถามแกก็ไม่บอกมันหานี่ เป็นเพราะเวทนาอะไรครอบงมจิตใจเธอเธอเสียใจเพราะใดบุตรเป็นหญิงหรือขอให้ชี้แจงด้วยท่านพระครูปิยะถามมา <c oughs> ข้อหนึ่งนะครับข้ อ, ขอที่ัญหาอีกข้อหนึ่งคืออัตมาหนังสือเรื่องธรรมบทได้พบประวัติของภาษาวกรุปหนึ่งเมื่อออกเที่ยวพิกษาประชาชนจะตักบาทมักจะต้องถวายอาหารแก่ท่านก่อน ด้วยบอกว่าส่วนหนึ่งถวายท่านอีกส่วนหนึ่งให้ผู้หญิงที่ตามหลังท่านดีเหมือนกันเพราะจะได้สองส่วนเรื่องผู้หญิงที่ตามท่านนั้นท่านก็ไม่เห็นนี่ก็เป็นพราะเหตุอะไรในสมัยนี้พระรูกนัยบินธบาดได้สองส่วนก็คงสบายทําอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นบ้างท่านฝากทองเชียงใหม่เอามาเรื่องนี้ก็นิมนทันตะครูไปหานในนังสือธรรมบทในหนังสือธรรมบทตอนตอนที่เก่าถึงนี่ท่านก็อธิบายไว้ด้วยท่านตะครูครับ อธิบายประวัติแจกแจงละเอียดพระพุทองค์แสดงปุพกกรรมของพิสุรูปนี่ที่มีหญิงตามหลังมาเพราะอะไรหนังสือหนอยู่แล้วนะครับอันนี้ยอย่าให้ผมต้ออธิบายไปมากนะฮะอันนี้แล้วส่วนปัญหาข้อแรกที่ท่านถามาบอกว่าเป็นเพราะอะไรถึงร้องไห้เพราะเห็นหญิงเด็กหญิงนี่อันนี้เห็นจากจนเพราะใครจะมาผมไม่มีพระราจิตตาวิชานนท์ที่จะไปหยั่งใจเธอถูกว่าเธอร้องไห้ไม่หยุดแต่พระเหตุอะไรอัา น, นี้นะอันนี้เกี่ยวกันจะต้องคนมีพระราจิตตาวิชานนท์ที่จะมา อาศัยสติปัญญาคิดเดาเอาในขณะนี้นะไม่ได้แครับเพราะจะต้องดูเหตุการณ์ดูบุคคลดูสิ่งแวดล้อมดูอดีตประวัติเธอมีความกระทือนใจเรื่องอะไรที่ล้องหายจะมาพูดตอบเดาส่วนนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้สราขอเงื่อง <c oughs> มีอีกท่านหนึ่งถามมาบอกว่ า, อาพอจะสันนิษฐานได้ไหมว่าพระอริยบุคคลยังมีอยู่แล้วในโลกอาจตอบได้ครับมีอยู่แน่นอนไม่ต้องสันนิษฐานเลยมีแน่แน่รเปเซนตเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสันนิษฐาน มีร้อเปอร์็อริยาบุคคลมีอยู่ในเมืองไทยนี่ก็มีพระอาาริยบุคคลอยู่นะฮะแล้วก่อนในประเทศพม่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีพระอ า, ารันตบุคคลท่านถึงดับขันไปยกหกพระอ า, า ร, ราันพม่าถึงดับขันพระองค์นี้เป็นอาจารย์อูนุอาจารย์อูนุแล้วก็ดับขันไปที่รูปเป็นอ า, ารันคืออย่างนี้พระองค์นี้บวชเมื่อแก่แล้วก็ไม่ได้เรียนป ร, ริยัติเลยแต่สามารถเทศภูมิอภิธรรมบรมัตีอย่างสูงสุดได้ทาให้คณะสงฆ์พม่าเนีน่ยอศัศจรรย์ใจถึงกับตั้งกรรมการสอบสวนท่าน ว่าท่านไม่ได้เรียนพระปรามัดอันแสนจะยากเย็นแต่เทค่ไหนเมื่อบวชแล้วฝามาแสดงธรรมในหลักปรามารัจา์ลึกซึ้งกว้างขวางอย่างนี้สอบสวนไปสอบสวนมาคณะสงฆ์ที่คณะกรรมการฝ่ายสงสูศูุย์ศุภมาสต่างึ้นนี้เรียกว่าคณะโอวาทาจริยะสอบสวนแล้วยอมรับเป็นมัติเอกฉันว่าท่านพู้นี้บรรลุอริยธรรมแต่ข่านไหนบอกไม่ได้ต้องไม่ผู้บรรลุอริยธรรมแล้วถึงฝามาแคงสภาว่าผูกต่อทั้งข้างที่ไม่เรียนปริยัตเลยไม่ได้เรียนเลย แปลว่าพูดในหลักสภาวะถูกป้องเป็นจริงหมดถ้าห้กว่ไม่ใช่ภูมิอริยะบุคคลแรกพูดอย่างนั้นไม่ได้โอเคพ่อมาข่าวอันนี้หนังสือพิมพ์บุติสเวิร์ลออกในลังกาวงข่าวแหมก็ฉลอนไปทั่วโลกเลยเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วกูนุ ก, ก็ไปขอสัมภาษณ์แล้วออกมาก็อ ย, ยอมรับ ว, ว่าทันหูนี้เป็นอรหันต์ตรงนี้ว่าข่าศน์สงเข้ามายอมรับว่าทันหูนี้เป็นพระอรหันต์แล้วเราก็เห็นจะพอเชื่อได้มั้งว่าอรหันต์ยังมีมีอยู่ในโลกจริงๆนี่ลายนยลยล่ะ อีกลายหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนนั้นเกี่ยวกับพระธรรมฐานจะเป็นอริยะหรือไม่เราไม่รู้นะแต่ว่าแได้อภิญญาขอให้คนเห็นอาจารย์เป็นผู้บอกปริยัติกับลูกศิษย์อยู่เมืองมันตะเล่แล้วก็ต่อม า, อ า, าลูกศิษย์ก็ลาอาจารย์ไปหาวิเวกบนเขาสูง น, นอกเมืองต่อมาอาจารย์ก็เห็นว่าไอ้เราจะมามัวแต่เป็นคนแบกคำที่อ่ะเที่ยวสอปริยัติกับตัวเองไม่มีอะไรขึ้นมาเลยไม่เอาละทำซะดีกว่าเลิกสอนมาจะทําปฏิบัติละลาลูกศิษย์ หายไปมาอยู่คนละเขากับลูกศิษย์ที่ออกไปก่อนอยู่คนละลูกคนละทานวันหนึ่งลูกศิษย์ที่ออกไปก่อนมาไม่ทนิบัติอาจารย์ทนิบัติแล้วก็มาเข้าครบแล้วแหมพยับเมฆต่างพระจังบอกคุณรีบกลับไปเถอะเดี๋ยวจะไปไม่ทันข้างเขาฝนจะตกมาเจอฝนต่างทางท่านลูกศิษย์ก็รักละรักกลับกูอาจารย์ไปห่วก็ตามมาส่งที่ติงเขาอ้าวพอมาส่งที่ติงเขาเหลียวหลังไปมองลูกศิษย์ไม่ได้เดินแล้วเหาะลรี่ยุไปบนท้องฟ้าเหาะไปเลย แหมอาจารย์ยืนตะลุนไม่รู้ว่าทํำไมลูกศิษย์มีอภิน ญ, ญาเหาะได้อย่างนี้พอวันรุ่งขึ้นลูกศิษย์มาปฏิบัติน้อาจารย์ก็ถามบอกว่าคุณได้อภิน ญ, ญานตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยลูกศิษย์ก็บอกว่าได้มาหกปีแล้วแต่มาหกปีแล้วก็คุณเหาะได้ตั้งแต่เมื่อไรบอกก็ได้มาสาเหาะได้มาสามปีแล้วที่ทําอย่างนี้ทําได้มาสามปีแล้วอาจารย์ก็บอกว่าแหมนาโนโมทนานะคนยุคปลายศาสนาเนี่ยเรายังได้บุญได้ชมบุญคนที่ว่าได้นี่อภิญญาทําอภินญาได้เหาให้เห็นอย่างเนี้ยแปลว่าอย่า เือกพิญญานเนี่ยเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกให้รีบปฏิบัติเล่งให้รีบทานอยู่เร็วค่ะลูกศิษย์ก็รับคาไปทําปฏิบัติแล้วได้เป็นพระอรหรันก่อนอาจารย์ลูกศิษย์คนที่หอได้เนี่ยเป็นอาหารหันต์ก่อนอาจารย์ตายแต่แล้วตัวก็ไม่เน่าเข้าสมาธิตายก่อนตายรู้วันเวลาตัวเสร็จประชุมชาวบ้านที่รักถือ เทใส่ฟังเขาเทจกบอกลาเลยบอกอย่าประมาทนะสังขัรเป็นของไม่เที่ยงวัดตาเป็นของไม่เที่ยงแท้ถ้าทั้งหลายเสือเป็นคนพบพุทธศาสนาแล้วไม่รีดฉวยเอาสาละจากพุทธศาสนาก็มืนคนเข้าไปในถ้ำที่มีทองออกมามือกลัาไม่ถือทองกลับออกมาเพราะฉะนั้นอย่าประมาท ต, ตัวฉันอะ่ะฉันได้ทองแล้วละ่ะขอลาศานทั้งหลายไปก่อนละ่ะผู้ถากคำเข้าสมาธิดับจิตไปเลยในอินเดียบทเข้าสมาธิขาดใจตายไปเลยนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างนี่เมืองพมา่าเขาเมืองไทยเรามีผู้นั่งสมาธิดับจิต มีเหมือนกันท่านผู้นั่นคือเจ้าคุณอุบาลีสิริจันโธอาจารย์ขอขออนุญาตหน่อยนะแหมปัญหานี่สงสัยอยู่นานแล้วครับคือว่าศาสนาเนี่ยอาตามาก็เคยได้ยินเขาว่าแปลว่าคําสั่งสอนใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับศาสนาเนี่ยแปลว่าคําสั่งสอนทีนี้ไอศาสนาที่เ็นบูชาไฟบูชาอะไรอะไรกันนะั้นจะสั่งสอนก็ได้ยังไงไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ครับกปกติไมว่าคํานะคว่าศาสนานี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าคําสั่งสอนใหญ่หนึ่งแปลว่าข้อปฏิบัติในหนึ่ง สาสนานฮะแปลว่าข้อปฏิบัติในหนึ่งแปลว่าข้อข้อจะข้อทำซึ่งสามารถชำระกิเลสอีกในหนึ่งแปลในสามหน ย, ยะส่วนศาสนาบูชาไฟบูชาลิงนั่นน่ะเขาเรียกว่ า, าลิเรียนลิเลริเรียนภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าลิเซึ่งพอมาแปลแปลงเป็นไทยแล้วคนไทยล้วคนแปลงคนที่บัญญัติศา ส, สนามาแปลคาว่า e ิเรียมันถึงหยุ่ย่า ง, งียความจริงพวกบูชาลิงบูชาไฟน่ะเป็นลิเเราไม่ถือวเป็นศาสนา แม้แต่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนี่เราก็ไม่ถือว่าเป็นศาสนาเราถือว่าเป็นลีเรียนลีเรียนเพราะฉะนั้นใครมาบอกว่าพุทธศาสนาไม่เป็นลีเรียนเราบอกขอบคุณถูกแล้วศาสนาพุทธไม่ใช่ลีเรียนศาสนาพุทธเป็นศาสนาในตัวของศาสนาเองตอนนี้เนื่องจากว่าคำว่าภาษาไทยมาแปลลีเรียนเป็นศาสนาไปแล้วมันก็เลยปนเปย์อย่างที่ว่าอย่างที่อย่างที่ท่านสงสัยนีเลยครับว่าทําไมถ้าในศาสนาบูชาไปกลายเป็นศาสนาเรื่มมันได้แต่ความหมายของคำาสนาต้องจํากัดอย่างนี้หนึ่งเป็นคําสั่งสอนสองสามารถชนะล้างกิเลสเนี่ย สามเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลุดทุนกิเลสจึงเป็นลักษณะศาสนาแท้ทั้งลักษณะนี้จริงเป็นศาสนาครบร้อยเปอเซ็นตอบใจว่าอาจารย์ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะ ไ, ไม่ใช่นั่งตายแล้วไม่เน่าอย่างเดียวไม่พอครับต้องดูปฏิปทาก่อนจะเป็นก่อนก่อนที่จะมาตายนั่งไม่ตายเน่าเนี่ยมีปฏิปทาเป็นมาอย่างไรต้องดูปฏิปทาหลายอย่างเพราะว่ามีพุทธภาษิตมาแล้วถ้าจะเประเกษมที่โกศลอยละ พระเจ้าปเสนที่โกศลน่ะกำลังเป็นอริกับพระเจชาติศัตรูอยู่ส่งแนวห้าส่งแนวห้าไปสืบราชการรับที่มึงาา่าจะคฤห์แนวห้าเนี่ยปลอมเป็นนิโคนก็มีปลอมเป็นอาชีวก็มีปลอมปลอมปล อ, ปอเป็นติทยาก็มีปลอมเป็นพามก็มีสแสดงกิริยาแหมฉันมีอาจาระบริสุทธิน์นะฉันมีความงสงบรสงบระงับอย่างยิ่งแล้ววันนั้นพระเอกราเจ้าปเสนที่โกศลกําลังครอบพระพุทธเจ้าอยู่ท่อพระเนตรมองไปทางหน้าวัด เห็นจารบูตรของพระองค์ซึ่งเปไปนักบวชเดินผ่านมาพระเจ้าปเสนิโกศลก็ต้องการจะลองพุทธปฏิภานดูก็อุทานเปรย์เปย์ขึ้นมาว่าพ้าเจ้าข่านักทศเหล่านี้น่ะมีอาจระคุณน่าเรื่อมใสายกินหนอพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่ามหาราชพระองค์เป็นเครือขัดบริโภคกามอยากนักสิจะอย่างรู้ว่าบรรทชิตเหล่านี้จะเป็นบรรทชิตจริงหรือไม่ธรรมดาเราจะรู้ว่าคนใดจะมีสติปัญญาหรือไม่อ่ะต้องคุยเข้านาน ไม่ใช่คุยกับวันเพราะแล้วก็บอกคนนี้ฉลาดไม่ใช่ต้องคุยกันนานๆเที่ยวถึงจะรู้อย่างพุ่งนานๆถึงจะรู้นะแล้วธรรมดาจะรู้ว่าคนนี้นะ่ะกล้าหาญหรือไม่กล้าหาญก็ต้องรอดูเฉพาะว่ามีภัยมาปรากฏไม่ใช่ว่าอันนี้มาคุยโม่กับกางๆกางนี้แต่พอภัยมาหนีหายไปแล้วไม่ใช่ธรรมดาจะรู้ว่านักบวชนี้มีศีลหรือไมนะ่น่ะจะต้องคุกคีกินอยู่กับนักบวชผู้นี้นานๆถึงจะรู้ว่ผู้นี้มีศีลหรือไม่ เพราะฉะนั้นพระองค์อย่าพึ่งพยากรเลยว่าท่านท่านเหล่านี้เป็นผู้มีศีล น, น่าเลื่อมใสพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พระเจ้าปรเสนที่โกศลก็แสดงความเลื่อมใสเข้าไปกราบที่พระบาท ต, ต่ว่าแหมเลื่อมใสนักไปจากพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านมีปฏิภานอย่างรู้อะไรมากมายอย่างนี้พวกนี้เป็นจารบุรุษของข้าพระองค์เองรอนตัวเป็นนักบวชเพื่อจะไปสืบราชการของพระเจ้าข้าศัตรูนี่เพราะฉะนั้นจากข้อพระคัน่นนี้เราจะรู้ว่าท่านผู้นี้เป็นอรหันต์หรือไม่ทั้งๆ ท, ท, ที่เราเองก็ไม่มีภูม้อรหันต์นะเรารู้ได้ด้ บ้องคุกคีกับท่านทั้งที่แจ้งที่รับนี่นานๆดูปฏิปทาดูอาจารากของท่านสม่ําเสมอหรือไม่ทั้งที่แจ้งที่าา ร, ทรัแบแล้วก็ข้อสำคัญคือดูเราทุกเวทนาเข้าขอบนําท่านสามารถวางชารางคูเบกขาอยู่หรือไม่ถ้าวางชารางคูเบกขาอยู่ตัวเรารู้ธรรมุนีเป็นอริยะหรืออย่างตามก็ต้องเป็นผู้มีชานาวิสัยอันเขิ่มข้นเพื่อทําได้อย่างนั้นเพราะนั้นคนที่เจ็บ ทุกเวทนามากแต่สามารถับเวทนาเข้าที่ตายได้เนี่ยไม่ใช่ย่อยนะครับคนอย่างนี้ไม่ใช่ย่อยเลยอำนาจจิตนี่ไม่ใช่ย่อยเลยอย่างที่ผมยกตัวอย่างจะคุณ ด, ดูบาลีสริจันโทเนี่ยท่านสบอยสบายว่าเข่าหลุดเวลาขึ้นธรรมาะท่านม่ร้องโอ้ไม่แต่คํานึงเลยท่านบอกก็พวกญาติโยมบอกว่าเข่าฉันหักแล้พวพูดคําเดีอะถ้าเป็นคนอื่นตายรีแย่แล้วทุกเวทนานะเขาหลุดนะเขาหักนะเขาเข่าหักเลยแต่กระทบทุกไอ้แง่ธรรมะเนี่ยกระทบกันไปยังไงก็ไม่รู้แล้วคนแก่เนี่ยกระดูกเปราะ กะดูกหักขึ้นมาในขนาดนั้นแล้วหมอเวลาฉีดยาผ่าตัดท่านนี่นเนี่ยคุณไม่ยอมให้ขะวังยาสลบให้ทําไปไม่ได้วางยาสลบนะเวลานั้นเวลานั้นยาฉีดยาชา ย, ยังไม่มีเวลาจะผ่าตัดต้องวางยาสลบท์่านไม่ยอมวางยาสลบทําเดียวนั้นเลยคนอื่นเนี่ยดูท่านทำเงินทุนไม่ได้ผูหญิงเนี่ยถึงจะร้องไหยคนไม่ได้เจ็บแทนท่านเองคุยธรรมะจอ่อพูดปลอบเขาหมดให้กล่าวธรรมะพูดปอบเขานี่ปักมูนสติเขาและตอนเจ็บหนักในตอนจะตายในยตอนเจ็บหนักเนี่ย เรียสบสมองจีวรตาจีวันเปลี่ยนหมดหรือขานักติเรียบร้อยแล้วลาลาลาที่สุขุปถาเรียบร้อยท่านบอกว่าธรรมดาสัมผูคําหนึ่งเป็นคติธรรมบอกว่าเราไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นนักรบได้มีโอกาสจับอาวุธลุบกับพญาวั จ, จุราด้วยตัวงตัวเองไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นนักรบได้อาวุธคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในมือแล้วเราเป็นผู้ชนะแล้วนี่ท่านวางท่านอย่างนี้แล้วก็เข้าที่เข้าสมาธิดับถอย ขาดใจตายในอิริยาบถสมาธิาทั้งกสิ homogeneous เดียนั่งตายในมือในอิริยาบถนั้นสิเนี่ยต้องตายนักปฏิมาต้องตายแบบนี้ครับแบบนี้อ่ะต้องตายแบบนี้ทั้งเราพยายามคัติได้เป็นเทีย่ยงเยอะถ้าตายแบบนี้แล้วก็แล้วมื่ยังตนอยู่ออกเป็นเป็นพระเถพรองนี้่มีชีว่ประวัติที่นาศึกษามะคือว่าไม่ใช่เก่งทั้งเป็นนักเทศด้วยนักกรถึกด้วยนักบุกคลองด้วยนักปฏิบัติด้วยจะหาพระเถรอที่มีคุณสมบัติบริบูรณ์อย่างนี้หายากไม่เสิร น, นะ คืถ้าเป็นนักปกครองธรรมดาก็ไม่มีเวลาจะปฏิบัติผนมากเห็นไหมเขาอยู่กับการปกครองนี่เป็นเจ้าหน้ามนุลแล้วก็วุ่นวาการสมานนัสมุนตระนี่ยนายาสิทธิราชนี่การปกครองจ้าหน้ามนุนลเนี่ยสิทธายิ่งกว่าเจ้าหน้าผาดเยอะนี่อีกนี่สามารถถอดถอนคนได้อย่างง่ายถ้าอะไรต่างๆทําได้ไม่ต้องมเสนอเสนอให้ลำบากเลยไม่ต้องเลยอํานาจหม่าหมุกกาตสมหะเทพะวิบาลมนุนพลในครั้งนั้นน่ะแล้วก็เป็นนักปฏิบัติปฏิบัติคืออย่างนี้พอเข้าพรรษาเข้ากรุงเทพออกพรรษาข้าศึกขึ้นธูดงเข้าป่าสูงบางซื่อเข้าไปถึง บนนู้นเข้าไปที่ป่าทางจังหวัดเชียงตุงเมืองเชียงกุงขึ้นไปบนดอยตุนสูงฝุดเลยอลื่อนล่างข้าไปอีกเลยแล้วอยู่ในถ้ามไม่พบผู้พบคนมีแต่เจ้าเจ้าหลวเมืองเชียงตุงลู่ข่าวมหาเทวีอ่ะพัท้ออ่อนวอนให้อยู่เป็นสังฆราชเมืองเชียงกุงเถอะเพะว่าพระสงฆ์ในเมืองเชียงตุงนะ่ะยังฉันเข้าเย็นยังปฏิบัติบวชแล้วไม่อยู่วัดก็อยู่บ้านไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายตามถุ่งตามนาเนี่ยไม่เหมาะอยากจะให้เจ้าคุณุบาลีน่ะมาปฏิวัติข้อปฏิบัติพระสงฆ์เมืองเชียงตุง ท่านก็รับไม่ได้เพราะว่าเป็นทราชากะนกะของเมืองไทยทิ้งหน้าที่ไม่ได้แล้วก็คราวหนึ่งมีพระองค์เจ้าหญิงองค์หนึ่งมีหนังสือมาถามภูมิปฏิบัติท่านบอกว่าพระองค์เจ้าหญิงองค์นี้นะ่ะติดขัดเรื่อง ส, สิปสัญหาสีปฏิบัติมาถึงสามสิบปีเต็มมาปฏิบัติติดขัดเรื่องพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพอถึงจงธรรมนี่แก้ไม่หลุดขอขอถามเจ้าคุณเถอะว่าเจ้าคุณปฏิบัติมาก็มากแล้วคงนี่จะแก้ยังไงลุดท่านก็ ต, อ, ตอบไปตอบบอกว่ า, วาอัตมภาพเนี่ย เมื่อก่อนนี้บวชยังหนุ่มๆอยู่สำคัญคนเราเป็นคนมีความรู้ปริยัติมากนะเหอเหิมในลาบยศว่าเป็นผู้รู้ปริยัติหาคนพูดเทศไทเลาะผู้โวหารติดใจคนติดหลงลาบหลงส ก, กาละพอต่อมาก็สังเวชใจตัวเองละอายใจตัวเองว่ามาบวชเรียนอย่างนี้ไม่ได้เอาประโยชน์สาระถาปฏิเวชจากธรรมพระพุทธเจ้าไปเนี่ยศึกไปดีกว่าถ้าหากว่าจะอยู่ต่อไปก็ให้ได้ปฏิเวชตั้งแต่คิดอย่างนี้ตกแล้วก็ตั้งตนจับข้อปฏิบัติ เมื่อจับข้อปฏิบัติไปในขณะปีแรกสองปีสองสองสามปีแรกยังสงสยัยยังสงสัยลึกลึกลึกลึาลึกลึงจึตลึกลึงทงึกลึกลึงลึกใน ข, นนขนลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึก่ึกลึกลึกลึกลีกลึกลึกลึกลึกลกลึกยึกลึกลึกลึก็ึัลึกลึกลึก็นกลนนึกลึกลึกลึกลึกรึกลึกลึกลทก่มีชื่ อ, ม, อมีเสียงแต่ว่าเพียงแค่นี้กขขนึก ก, กลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลลึกลึกลึกลึกลึกลึกกลึกลกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึจัทบบ น, น, าานจ ท, บ, บ, นนนท บ, บุรีบอกว่า ประหลาดใจมากนี่ถ้าไม่ได้บรรลุอริยธรรมแม้แต่ข้อหนึ่งแล้วจะยอมตายในถ้ำ น, นี้ไม่ออกว่ะแล้วพันสาลันก็ตั้งต้นในสันเหล็กปฏิบัติทั้งเช้าทั้งเย็นไม่มีสิ้นเลยกระทั่งได้จับจุดขึ้นต้นทางถูกกว่ากายานุปัสนาพิจารณากายกายดับเป็นเวทนาเวทนาดับพิจารณาจิตจิต ด, ดับเป็นตัวธรรมเมื่อถึงตรงธรรมแล้วอาตมาภาพหมดสงสัยแล้วความกลางขาในพระศาสนาหมดไปแล้วบกคคลท่านพยากรณ์สุดปฏิผลเป็นอย่างตับ เปจดหมายที่จดหมายฉบับนี้เปิดเผยหลังจากเขาส่งท่านแล้วนะเมื่อเวลาเป็นอยู่เป็นเก็บอยู่ในส่วนตัวท่านไม่ได้เปิดเผยที่มีโต้ตอบกับพระองค์เจ้าหญิงองค์นี้พอหลังจากท่านตายแล้วมีคนมาเก็บบริขารท่านไปทบเขา้าเลยเอามาพิมพ์เลยให้ชื่อว่าหนังสือแสงใจเป็นเล่มบางๆจดหมายโต้ตอกบกับพระองค์เจ้าหญิงองค์นี้โต้ตอบกันมาางสีฉบับด้วยกันในภูมิปฏิบัตินี่แหละเพราะนั้นการที่เราจะรู้ว่าพระองค์นี้จะมีภูมิปฏิบัติสูงต่ำแค่ไหนเราดูได้จากอาจาระตลอดชีวิตท่านแล้วกดด็ดูได้ในว า, าันดูได้ ว่าท่านสามารถชนะทศเวทนาได้ไหมท่านพูดเยอะทศเวทนาหนิใช่ไหมมีเสียแรงเราเกิดเราเป็นนักลุได้อาวุธคือธรรมะพระตุลาในมือได้ออกเข้าสู่สงครามสู้กับพญามาจุฬาถึงว่าท่านอย่างนั้นว่าอย่างนี้นะต้องว่าอย่างวิสัยนักปฏิบัติถึงจะพูดได้ทํามะชวิสัยนักปฏิบัติแล้วพูดอย่างนี้ออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้ไอเวทนามันเข้าหลัเราหมดสติเ่มถ้ามาชันยะเราไม่อยู่กับตัวแล้วเวลาจะเวลาเจ็บมากมากเนี่ยมันทุรนทุรายเหลือเกินในเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนี่น อันนี้เพราะฉะนั้นอท่านที่ถามมาม า, มาว่าพอจะสนิทฐานได้ไหมว่าพระอริยบุคคลยังมีอยู่ในโลกไหมมีอยู่แน่ครับท่านไม่ต้องสงสัยมีแน่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตศาสตร์ุนมรรคมีมอุปเอยังมีอยู่ก็ยังมีผู้เดินอยู่ยังมีครับข้อสองทาถามมาว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ศาสนาต่างๆจะรวมกันได้เพราะอะัยผมบอกแล้วไงตอนต้นบอกไม่มีทางเลยการรวมกันคือการแตดแยกคือการสร้งสางศาสนาใหม่ศาสนาหนึ่งขึ้นมาใหม่ เพราะั้นมันไม่มีทางรวมกันได้เนี่ยนาณาจิตตั้งคนรับตังทิฏฐิต่างต่างจิตใจจะไปรวมกันได้ยังไงนะฮะแม้แต่พระเจ้าธรรมเจดีย์ปีดกทอนกระสัของตัวดีอ่ะนั่นพยายามจะรวมนิกายขอพระสงฆ์มอนในข้างนั้นผกนิกายมึงมอนนิมนต์ให้เจ้าคณะขอสรุปนิกายศึกมดุดใบบวชใหม่ในสีมาน้ําที่เมืองลังการู้แล้วว่า ก, ก, กันนะสิเป็นศึกพ้อมกันไปลังกาพอ้องกันแล้ป็นศึกพ้อมกันที่นั่นบวชไปชายาองคเดียวกันเรียกว่ากัญญาลีสีมาร้อยแพ้บวชในไม่น้ ให้หมดข้อสองสัยหลวงลูกนีมิดว่าฝังถูกวินัยกรรมไหม้ลูกใหญ่ไหม ล, หไหลูกเล็กไหมขี้เยียดขุดนี่มิดดูกันไม่เอาละไม่มาบูตในพระฤีมาละ่ไะไปบูตในศี ม, มาหน้าดูแลหรอกแ ล, ล้วก็บูตในคัะอาจารเดียนนะนี่มณฑกคณะใหญ่หกนี่กายไปสึกจะไปบูตที่นั่นขอลองมันบอกว่ากลับมาแล้วมาลูมนีกายพระสงฆ์ก็จทีก็ลูอยู่ด้ช่วยสมายพระเจ้าธจดีอยู่สิใช้ลายคาลุภาพกดเขาไว้พอพระเจ้าทํามจดีสวรรคตแปกกันไปอีกเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะนั้นไม่มีทางนะครับ เรื่องจะรวมบังคับจิตใจกันนันไม่มีทางข้อสามคำว่าอนิมิตเจโตสมาธิหมายความว่าอย่างไรขอให้แก้ความสงสัยด้วยอนิมิตเจโตสมาธินี่แหละสําคัญมากนะพระพุทธเจ้าจะเล่าอธิบายตีต่ออายุ ก, ก็เลยสมาธิอันนี้นะครับสําคัญมากเสีเนียอนิมิตเจโตสมาธิคือแปลว่าใจที่มันไปผูกในเครื่องหมายทั้งสวงเครื่องหมายคืออะไรเครื่องหมายขึ้นวน้ําว่ารูปนี่ยเป็นนิมิตคือเอานาำเป็นนิมิตถื อ, อรูปเป็นนิมิต คือเอาพยัญชนะเป็นนิมิต อ, อาการขี้ใจไม่ไปยึดในนามในรูปในพยัญชนะนี่แหละเรีวยกว่าอนิมิตตเจโตสมาธิสมาธิที่ไม่ยึดถือนิมิตทั้งปวงเป็นนิมิตคือปล่อยวางหมดเอาความว่างเป็นอารมณ์ทัจว่าและความว่างใจที่เอาความว่างเป็นอารมณ์โดยปล่อยวางอารมณ์สารพัดไม่ว่าจะเป็นสังกตะาอสังกตะชื่อว่าอนิมิตเจโตสมาธิแล้วนิมิตอันนี้แหละที่พรพุทธเจ้าได้ทรงเจริญ ในขณะพรรษาติปพที่ทเวรุคารที่ประชวนอาการยนะ่ะจวนเจียนจ่าสวรรคตดับฐานในพรรษานั่นนะและสามารถขับไว้หาภาธก็ในอำนาจอันนี้เป็ น, นปตัเจโตสมาธิอันนี้นี่ขับไล่ออกไปได้ขับไล่ออกไปแล้วพระอานนท์ออกพรรษาแล้วมาปฏิบัติพุทธิจารย์จึงบอกว่าแหมที่เป็นหลายมืดนโมทีมห่หข้าพระองค์เลยแม้คําทั้งปวงก็ไม่เป็นที่แก้มแจ้งแก้ข่าพระองค์ตามที่ข่าพระองค์มาเห็นข่าพู้มีขภาต้องทรมานพระองค์ในระหว่างพรรษานะ่ะคล้ายจะเอาเอ า, เอาชีวิตไม่รอดอย่างนั้นนะ่ะทำให้รู้สึก ล, ละกมเกรียมใจกันไปหมด แต่บัตนี้ก็ยังเป็นมีความหวังอยู่หน่อยว่าตราบแต่ที่พระองค์ไม่ลาลาพิสุสงตราบแล้พระองค์ก็คงยังไม่นานนี่นี่ตอนหนึ่งอ่ะอีกตอนหนึ่งที่พระองค์ตัากับพร ะ, ะอรนุเราดูก่อนอนุถ้าผได้เจริญอิธิบาสีจะเป็นไปให้ต่ออายุกับหนึงห่งยี่กว่ากับเนี่ยจะเลยมาไเลเจรอิธิบาสีเราก็รวยฉังท้าวิริยะจิตตวิมังสาอิธิบาสีเนี่ยนักเไพก็มีวงการ น, นานะไม่มีทันทาววิริยะนอยู่ได้แล้วทำไมทั้งคืนฉันชา้ความอยากเอนไพ่มีวิริยะเพ จิตตแหมสายจองคนคว่จอดจอที่ไผ่นั้นเนี่ยวิมังสาแค่สิปัญญาพลิกแปลงจะเอี่ยวจะปองว่ากันไปอิธิบาตรสีในวงไพ่มันก็มีอิทวิาตรสีไอ้เจ้าล่นอิทธิบาตรสีนะมันช่เจ้าเลนแบบนี้ไม่ใช่เจา้าเลนแบบนี้เอ อ, อิทธิบาตรีในมหปฏิธานสู่ที่ทันหมายถึงน่ะต้องเป็นชั้นคิดที่บาสที่ประกอบด้วยมาทานและสังขารอนนี่จะเป็นอิธิบาตรสีถ้าไม่ประกอบด้วยมาทานและสังขารแล้ว ไม่ชื่อว่าอิทธิบาทสีในหมาบริบบิพานสูตรไม่อิทธิบาทชาวบา้านเล่นไพ่มันก็มีอิทธิบาทนี่เพอาะฉะนั้นเราต้องสงข้อเอาไว้ว่าต้องเป็นฉันท่าอิทธิบาทที่ประกอบเป็นประธานในสังขารประธานในสังขารแปลว่าอะไรหมายถึงว่าอาํานาจชาติสมาบัติอย่างแก่กล้าอานาจกระแสจิตติดเข้าไปเพ่งอย่างแก่กล้าทุกๆข้อเลยทุกข้อแล้วก็เจริญอะไรล่ะ อิธิบาตมันเป็นาการที่เข้าไปเจริญมันต้องมีไอท้ทำที่จะให้ถูกเจริญสิทำอะไรที่พระองค์เข้าไปเจริญมา้าก็ไดานเนี่แก่ไว้แต่เราพิจารณาเราก็รู้ว่าเจริญอะไรก็เมื่อในเวลุวะคามพระองค์ต่ออายุได้ด้วยอันนี้มีแต่เจโตสมาธิใดข้ า, าว่าพราะองค์เจริญอันนี้มีแต่เจโตสมาธิด้วยอํานาจอิธิบาตอันประกอบด้วยปาทานสังขารแล้วทํำไมจะต่ออายุไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้มีแต่เจโตสมาธินี่แหละ